แล้วมาพูดถึงมรรีผลหนูจะลืมหนูตามาถามก็เ็เรื่องที่เจดแล้วเจอจะมานาเรื่องหนูขึ้นมามรู้มาที่ไหนอล้วาการนี้เป็นยาลาาฟังนั่นเรื่องวันนคดีเรื่องหูเวชดอรเมื่อสามหมื่นปีผ่านแล้วาลการเท่ น, นั้นที่สมัยป่ายาุทธภัเมื่อสมัยก่อนนิโยตีเลสีตีไ ท, ทยมีมา ก, ก่อนพระพุทธเจ้า เห่อเฮินเดอร์ากาดได้อายุถึงหมื่นหมื่นปีที่ป่าทิมพานที่ประเทศเนปาลติดต่อกับอินเดียที่เราเรียกว่าเขาอิมาลายเลยเขาอยูมาลัยไปที่จุดยอดเฉพาะป่าใหญ่ในป่าทิมพานนั้นจะเต็มไปด้วยถิ่นสารสัตว์และก็โลคีเลย์สีทีไทรม์มื่อก่อนสมมติจะสัตว์ไหเนี้ยเรียกว่าทีบานา่ะสองถิ่ผลหมากล า, ากมาอยู่ในดงในป่าทิมพานมาท้านาน อันนี้ลาหนูปักแล้วทาไมมีมรรคผลเหตุผลต่อการใดก็เริ่มต so ้นด้วยเรื่องทวีติดดอกมีเล่าเรื่องเหตุที่มาของมรรคผลอุตส่าหูขอพรจากพระวิปัสสุทธมาสมุทภักดิ์ถวายจุลแก่นจานกีลรคาไม่เท่าไรแต่มีค่าสําหรับประเทมีสมัยประักได้ถวายจุลแก่นจานหรือว่าเป็นเครื่องหอมแลี่ ย้อนคาเป็นประเพณีขององค์พระมหากษัตริรย์สมัยโน้แต่ถาวายกับพระวิปัสสีตร้มาเึ็นพระทักขอทิ่ฐานเป็นพุทธามารดะแต่แล้วพระวิาาะปัสสีเป็นพระหันตะสัมมาแล ะ, ะมุตเิศาสสมัยโน้ตขอ้อเลียนญาณก็ให้พรดีัวิาอุตสรีว่าวิธีการปฏิสังคมห้ามสุตติเมว่าจะมิจะตุให้พรชั่งๆ ไม่พอยืดยาวเหมือนจระสงสมัยนี้เป็นการแต่งเติมเพิ่มเสรีตามวาระโอกาสันสมควรดูกระน้องหญิงเธอปรารถนาสิ่งใดไม่อยู่ใสขอให้เธอสมด็จตามเป้าหมายนั้นก็ขอให้เป็นเป็นพุทธมารดาเนี่พุทละดุเสรีก็ดีใจดีใจก็ทำหน้าของบุญต่อบุญบาต่อบา ทำให้ปุชดีนี้ได้รับพรนิปัสสีเป็นอาเเอกรมเเอสีุสจักรลินเทวุะเป็นเมียตะอินคู่กรอย่างนั้นเป้นมื่นปีอยู่ที่เทวสถานวีมานน่ยอย่างนั้นก็หมดพรของนิปัสสีเป็นฆ่าเป็นแค่เามเอสีจักรลินเทุลละในหัวปุชดี แต่แล้วเวลาการทบทวนผ่านมาหมดพรทุติสีพระอิน์จักรินเจเวลารู้ความประสงค์ของบุตรศิษย์ว่าขอพรจากทุติสีมาเพื่อต้องการเป็นพุทธมารดาแล้วกายจะสุติหมดบุนวาสนาที่สูงตรวันแล้วก็จะนองสุติโลกนุชพระอินทร์จึงรู้ความประสงค์ของอักเอยทำงมไเอทีนี่เึงิมได้เปล่งอุทานวาจาบอกบุตรศิษย์ว่าเธอ บุญวัสนาอยู่ในสูงสุดแล้วเธอต้องการขอพร อ, อย่างไรที่บบวาสนาเรียกขอพรในวันนี้เหลืออีกชั่วโมองเดียวจะหมดบุญวัฒนาดูนี่ปุถุตีก็นึกได้ขอพรสิกประการเรียกว่าทาโพธิพร์รเบื้องต้นแ ต, ตมาจะขอกล่าวว่าพรเดียวคือขอมีลูกชาโฉภในบุญวัสนาในโลกนุชเพื่ออธิษฐานที่สุดเพื่อเป็นผู้ธารมดา อันนี้ขอพูดสะพอนีย้เลยก็บุตรีก็มาตุติเพราะการสร้างบารมีไม่ดีเข้าขอบโลกมนุษย์รโลกมนุษย์ในโลกอิฉาวิทยาสร้างบารมีได้ดีกว่าโลกอื่นเดียวบนสวรรค์ก็ได้ความมาตุติและบุตรีเป็นหลักแบบมาเป็นแอบแฝเมตติมือจับเป็นเศไสตามคำขอแล้วพอพระอินทรก็เล็งยามต่อไปว่าอ พอศิษย์การยังไม่ครบจะต้องมีบทมีบุญวาสนาบารมีแล้วพระเองก็รู้ว่าจะต้องเชิญพระโพธิสัตว์ลงสู่ครันท้อมุสเดีต่อไปเพื่อปฏิหานริยของพุธพ้ธรรดาในนักพจถึงได้ไปรักษาณพระโพธิสัตว์สู่ครันทมุสเดีต่อไปแล้วเปิดเต็มทุ่งเอดื้อตอย่าลืมว่าผู้ยิ่งใหญ่จะไม่เกิดในประกาทเป็นต มีเกิดในตลาดพ่อค้าเรียกเวสตะดอกเอาละรวบแล้วแต่เป็วความพอเวสตะนอนเกิดขึ้นแล้วก็สะดวกมาถานเตรียมการที่จะไปบำเพ็ญานบา ร, รมีต่อที่ป่ายหิมพาลได้ยินตึงได้มิการณาต่อไปว่าออเวทตะนอนนี้จะไปบำเพ็ญบา ร, รมีเพื่อเป็นพื่อพิจารณ์อยู่ที่ป่าหิมะพาลแน่นอน เสิมได้ไปรเนงมิตรบันดาลาล้อมด้วย ม, มัตรีและปัญหาชาลีแต่สดรอมกับปากโบกกรณีครบแล้วก็มาถือโอกาสว่าถ้าหากว่ามัตรีไปอยู่ในอรัญญาลาวป่าทิ่มรานี้กระโดนพวกเลสีสก ป, ปลกลาโมฆังห้ายเต็มไปด้วยคามักุยยัางห้างจะปลุกสครา่อมนาจา์แม่มัตรีอย่างเด็ดขาด กรสิยกาบรบารมีของพระเวิดอดอพรอะยังไม่ได้สร้างบารมีครบโดยะราะจะทานขลงมาถึงสาราสาสต์ดุล า, ายโยคีกระสอบตกลามกในป่าหิมะานเพราะฉะนั้นพระอินทนนร์จึงเมลเมตก่อนมัครีผลที่หกก็อยู่ที่ป่าเขาฝ่ายเขากรที่ป่าหิมะผานั้นเพื่อต้องการจาอุ่นห้าเวลาพระมัตรีจะออกไปป่าในเจ็ดลี จะไปเก็บผลหมากลากไมนะ้นั้นอามาให้เธอส ว, วามีเป็นการอกระทำคำจุนเพื่อตอกการเป็นพิจักต้องมีสองคนช่วยกันะระวางสามีภรรยาคู่คิดกันเป็นชายก็ชิงหญิงก็แทะเป็นบแก่ที่น่าบุทามีคู่เดียวคือพิจักไม่เหมือนคู่คนอื่นเขาเลยก็พระเองก็สั่งวาพิเทศไปนีลมิศบรรณสาะแ ล, ละพอเนลมิตโสดมัตรีผลขึ้นมา เป็นคำาสาบของรีนไม่จะตน่นไม้ติดสูกได้ธรรมชาติเลยต้นมัคครีผลเรียกว่นาน า, นาลีผลที่ถูกตามสับนี้เรียกว่ามัคมันคามล ล, ล์คอ ล, ล, ล, ละ้ลงผลมัคครีผลแปลว่าผล น, นี้มาจากมัคมันคาเป็นกามักึุเบื้องห้าเลยก็สาบไว้ว่าออกดอกภายในเจ็ดวันสามวัน มาเต็มที่มีไปทำยืนถึงเจ็ดวันหล่นให้หมดเพราะเพราะโดยโอกาสเวลาที่มาตรีกลับจะป่าคนนี้ในเลวศีกีใครมันจะเห็นมตรีมันก็ผูกตั้งมาอาจายนเสียการแห่งภูริศักดิ์ที่จะมาองมาเพิ่มแบบนี้ขอฝากผู้หนูใป็นทนายศิษย์ด้วยเลยก็มะขลิผลก็เริ่มออกดอกไม่ตามตามเวลาเหมือนมะม่วเหมือนถนนตามตามเวลาที่นี้ แม่มัติจะออกป่าคุ้มหมากซากไม้หมดแนะ่ส่วนมักลีผลออกออกทันทีไอ้คน้นทันวิชาวพรก็ออกมาเสร็จบอกว่าออกดอกมานี่ยแตเล็กมันก็บางนุน่มเดกใหญ่เท่ากับคนอายุจุดหกปีติ้วต่อขอบล่างเหมือนกันทุกตนเป็นหญิงทั้งหมดแล้วมีขั้วหนึ่สองขั้วแล้วกรติกเมื่อเวลาที่แ่ดในค้าจ้าวกเหมือนดอกบวกัว ตอนหกโมงเชา้าจะบานออกมาร้องรำทําเพลงได้คนทานัานมิชาทรก็มาเกบกันว่าไอเลอสีทีลายที่ไม่ใช่เด็กายธรรมบัตรก็มาหน้าฝนก็พอมันหอมอบอวลนในป่าทีมาพานในกรรมสิ้าพุทธานี้เลยก็มาเก็ตไปคําว่าเมรดีผลนี่ลดแล้วสีเดือนให้หลังห้าเดือนทีเดียวตัดแต่คนทานัานมิชาทร มาเศษหลังวาดมาผีผลนต ว, วีสามีภาคสี่เดือนก็หลบจนจับปืนอย่างนี้เดี๋ยวนี้ตอนม้นี่ยังอยู่ด้วยนี้ที่เก็แบอกอายุสามหมื่นสี่แดดนีลาหนูฟังสะใจแล้วที่นี่แม่มาตีกลับในโซนมาผลีผลก็หมดไอเลอสีสีคลายก็เส็ต่อไปชงเชยแต่ห้าเดือนให้หลังมาผลีผลมันไม่มีกระดูกมันจะย่อนลงไปเดียวลงไปมันดอกไม้ แล้วคอมไม่มีกระดูกถ้าม <c oughs> ีกระดกมันก็ต้องยืนยันไม่สั้นไม่หดไม่เหี่ยวอย่างนี้เวลาหนูฟังสนใจแต่หลวงพ่อขอหาด้วยเชียวไหมเพรเราเคยเห็นเขาเขียนไว้ฝาผนังโทราัศน์แล้วไม่ทราบวัดไหนรามาอย่แง่งพักพระบาทสมเด็จเจ้อยู่หัวรัชกาลที่สองได้แก้สลักเรื่องมรรคผลวัจถุบานต่างบาประตูที่วันไหนนมื่อไหร่เช่นรำไม่ได้ชัดเคยไปดูมาลืม สลักไว้ชัดเจนมากต้นไม้ออกรูมาปิดขวอย่างนี้เชื่อต่อขอบร้อแล้วหลวงพ่อนี่ก็เคยฝังใจเงินเด็กเล่ามาตอนเป็นเด็กเจ๊๊๊ยายชอกมีกระถ à พันจะแต่บ้าทีกระถงทักแล้วเราเอาเชือกผูกเราไ้เรื่อยบอกหนูเลยให้ฟังเทพกระถ à พันครบคำหนึ่งคำจะคาถาจะเกิดทานกับนาทิ่านว่าอย่างนี้แล้วเราก็ฟังเรื่อยโดยที่ไม่สนใจ แต่เฮ้ยเ so ้อคาเป็นนิสัยปัจจัยของเราก็ต้องเจอของดีเราเด็กเอาไว้สมเปียอยู่ท่าติผสมนึงเวลาหูุปังมันฝังใจหลับพอดียายก็ล่ะให้หลวงพ่อฟังเวลานวดนั่งอยู่ชาติผสมสี่ะบอกหลาเนยตอนยายเป็นสาวไปส่งตินโตหลวงพ่อชางวัดตึกผลวงปัดปลองปัดมากมาสิงห์บุรีนี่หลวงพ่อช้ามนี่เป็นเจ้าวาดวัดตึกราชา วันเดินทุกโลกสานข้าวเวลาเดียวแล้วท่านสาเร็จชาจะมาบัดแล้วยายนี่ก็ไปส่งเปโตตอนเป็นสาวทำไมก่อนโบราณมาไปส่งเป็นโตที่วัดตึกานฉันเวลาสีมงเ้ า, วเวาเวล า, วล า, วลาดยวหลวง่อชางนี้ตอนนั้นพระจึงอยาชนาสองร อ, อ, ง ร, อ, องรอเลกเด็กทำไมกล่าวใคเป็นสมทานจาวัดจะจากวัดไปถิงภาษาก็ไม่ขาดสมทานกลับมาเป็นสมทานในตเดิ เี๋นี้ประชาชนบันทากกระสอบออกมาออกมาไว้ฮะผสมผ่านวัดไหนทิ้งวัดหนึ่งเดือนขาดฟังนอื่นไไม่เหมือนสมัยรอซอยเ็เวลาตรงนี้ฟังด้วยเลยพอดีหลวงพรอชางพื้เด็กทานธรรมบัตรทาก็มาอยู่ที่นันยายเนี่ยก็ทาตามใหญ่วดมาสไปซอยขาดทาเวลาเดียวทานผสมกันหมดเลยข้าวหวานรวมอยู่ในบาทเดียวกัน โยมาในวันหนึ่งยายเล่าว่าไอ้แขกนี้มันหอกมาจากปไอโยกียจากผายเน้อผาก น, นี้ยายเล่าก็มันอมตลอดมาไอโยกีคนหนึ่งท่านเดชชานสมาบัตมันก็ห่อมาเปิดทะเลาะคาเลยไอโยกีคนนี้ตลอดตกเลยกอกมาทั่วตึกขาแค้งหักหลวงพชางก็สาหหายแล้วยายเล่าว่าเวลาไปส่งเป็นโตนะถามลงก็ช้างบอกไอบอก แพรพูดว่าจะไหนหลวงพ่อชางก็เล่าให้ยายฟังว่าไอ้ น, นี่มันมาจากเป็นโยคีมาจากป่ายุมาพานมันหอกมามันเกาะลง ต, งตรงนี้เลยหลวงพ่อระส า, ายก็ไปรู้สึกหลวงพ่อมาจนขาแพ้หายสุดแก่มันก็ อ, อ, อก่อนวอนหลวงพ่อว่าพอหลวงพ่อช้างพูดใหญ่แล้วสาษาเวลาทีหมุนผู้ดละบอกหลวงพ่อไปส่งผมทีม่าผมอยู่ป่ายุมาพานมันจะโยคีนี่ ก็ไปชงเธออย่างไรไอเราไปกับคุณเด็กเพราหลวงพ่อคุณจะบอกตำาราตหลอดให้แต่หลวงพ่อต้องใช้ฐานเสกตำราประหลอดเลยพอดียายตำราเนี่ยไปตรงไีต่อแล้วหนูเธอไปซื้อตำรายาไปซื้อตหลอดจริงซือยาชักซื้อนอ น, นนะยายถึงดยาตำราปรหลอดไว้เวลาหนูฟังเขาเรียก บ, บันโมูบนโมูลตลาดมอถึงบุรี่ ก็ไปชื่อปลอดมาแล้วก็เล่าว่าหลวงก็ช้างเร็จก็เกี่ยวปลอดพอมันเต็มเข้าไปแล้วก็ปั่นเป็ น, นกน้เลยลุกมึนนะม้นเชา้านะเช้ายายก็มาส่งเสร็จหลวงพ่อช้างไม่อยู่เ่ยไม่รู้ไปไหนหอเปิดตุเก็บดูก็ไม่มีที่อื่นเขาดูได้ต่งางชาเนี่เลยรอจนหมดเวลาจนห้าโมงพ่อช้างกลับมาแล้ว ยายก็บอกหลวพ่อไปไหนมาเออไปชงไอ้แขบเนี่ยไปรงที่ไหนเนี่ยปามผอทีเอ็มไปซื้อตาลาไปซื้อยามาให้ละเพราะว่าตัมันอมวนตลอดเลยยายก็จดไอตำลาตลอดเนี่ยแไม่ใช่หมายความหลงหลงพ่อทำตลอดได้ไปป่าหิมะพานะหรือก็ไปคุยอยูนะลามาเพียนไปเนพ่ไม่ได้หรอกมีเรายายได้ละเนี่ยก็ หลวงพ่อช้างพ่อหลาบมียายฟังว่าป่าฮิมพานมีต้นมะปีแต่ไปเ น, นี่ยนะหมวยไอแทบ ไ, ไอโยครีมันห้ามไม่ฉันยาโยมารับประโยยาหมดหมดยาฉันแต่ฉันมันก็ปรับนผะู้ติสมัยช้างจะมาบาดใ้เสียงด้แล้วมันจะพาไปดูมะปีอไอโยคีว่าเรื่องราวไปอย่างนี้อย่างนี้รวมรลาวกาชาวพาก็ขอปิดปากม ในเวลาการต่อมาหลวงพ่อก็มาบวชตั้งแต่ที่ยายเล่าเนี่ยตา ม, มายังไหว้คุ้มเพียอยู่นียยังเด็กอันนี้ยายตายไปแล้วยายตา ม, มาเนี่ยดีก่กพี่จ้าตายแต่ข า, าผ่าพันรเรื่องทุเวสทุนร้อนเกยแต่ทุกประการทกความานยายเล่าเลยหมดเพราะนิยมมีมาช้าคือบา้านถึงปีแล้เบื่อจริงจะ ต, ต้องผูกขาเราก็เสาให้ฟังให้จบ อก็คลื้นไปมากคือข้ามอะไรเนี่ยเลยมันก็ฝังใจออกมาเรามาบวชในต้นพิธีศาสนาหนานี่ไม่จช่ทางใจมาบวชด้วยศรัทธาพอไม่ให้บวชก็บวชรมเดชเพราะเราผิดละออดยายนี่เนี่ยหน้ยนี่เราอยู่ท่านท่านอ่ท่านจะขึ้นมาเตี้มหนึ่งพอดสี่แกเตี้ยมหนึ่งดวงสิงเนี่ยนายบอกไปโตกเหลายรล้มพานเนี่ยเราก็ยื้อไปสบายมาก เจอเพื่อนเจอกินเลวไปยาให้ว่ า, ก, วากินธรรมะนี่เลยนี่ในกงเราเนี้ยมันจะมากกันล้วเ่าว่าพอสองเ้มาราสิบห้าพอดีพระองค์เจ้าพูนทิศไหมหาเจตทานพอสอหรอกพร้อมด้วย ท, ท่นยานพญทธรรมศักดิ์แล้วนาวยกพุทธสรรมาคมจังหวัดสิงห์บุรีในเอื้อบุตรสวงก็มาปรึกษาธรรมะว่ามีท่านจะไปไห ไปไประชุมผู้สานแสงแห่งโลกที่ประเทศสิงค์ตะกาก็บอกเอาไป้าไปแล้วก็ไปแก้ให้พระองค์เจ้าภูมิทีสมัยทราบถ้าเอาเราเข้าล็อกไปด้วยมีพระทีุ่กรสองอค์หลวงก็แพ้ว่าที่คุณสององค์เน้นต่อไปด้วย ก, กันแล้วต่อไปประเทศสิงค์ตกากปาีสองพัสิบห้าพอดีกับร่วงจังหวะที่เจ้าเอาว่าวัดกรณีได้ฆ่านาย ก, กประจมตีการ ประเพณีของศีลังกาผู้หญิง เ, งเป็นใหญ่พอผัวต า, ายเมียก็เป็นนายกเป็นมตีแทนผัวต่อไปเรากฎหมายเขาเขียนอย่างนั้นยังไม่หมดสมไัยนายกเมียมเป็นแทนได้แล้วประเทศไทยผัวไม่ขายเมียข า, า, ายไม่ได้ประเทศศีลังกาเมียข า, ายได้ยังมีประเพณีผู้หญิงของผู้ชายผู้หญิงแต่งงานต้องไปขอผู้ชายประเทศไทยทํ า, า, า, ท า, ทาไม่ได้ทําไม่ได้ มาว่าหามงคลยิ้ขอวิชยดีอาบุตรายเนี่ยหมายถึงคนดีมาพักหมุคคลไม่มีมีเมียไม่ได้มีแค่มาขอมันก็ดีไปอย่างหนึ่งเลยพอดีก็ล่าลวกแล้วในการ้างถึงมาไปชุมบุตรสาวทางโลกเราก็ลืมเรื่องนักปริศนไปแล้ววันหนึ่งก็ไปที่โจที่เขาถือกียะองอ์การอยากจะไปดูสถานที่ว่าใครทำไม่มีท่าจับละมากระดับมาขังไว้ตรงนี้ แล้วขานะ้าพนักเียนตายหมดเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาวแ ล, แล้วสษธานีเลยก็ขึ้นไปดูคนอื่นก็ไม่ไไตายกันเลยรถต่อปิงขาวคู่ไม่สูงเลยหลวงพ่อก็ขึ้นไปกับไม่เนีย่ยเนืยเน่ยอินทสมบะเป็นเจ้าของโรงเรียนหลักสีที่ดอนเมืองงูดแล้ ว, วก็โยมนี้ก็จะเป็นโยโาานกภาวนาเพิ่มสมเด็จทั้งหลายพระคนมาหาสังฆมีนายวกวั า, า, ห า, าหลักเจดีย์ภิกษุมหาสุมาลาตอนในงามของขอต้อหล่อ ไปประชุมาแต่ยอมเนื่องนี่ก็เป็นล่าในล่าพูดที่สามไปแ ก, ก้มก็เคลื่อนไปในการสองคดแต่นอกนั้นใ่ทีใครขึ้นเลยอเขาบอกมันโง่เ้าก็เคลืนไปถึงยอดเขาสองคนแต่ป ว, วกแผลหึงผลงเยอะๆบนยอดเขาสียอียักษ์มันโงแล้วก็ไปดูสถานที่ที่มันจับละมกังกัดขังไว้ถึงนี้แต่เขาบอกลเอกลยพอดีอัตมาก็เกิดจําเป็นส่วนตัว ยาจะปัดสวะไม่มีที่สูงไหนดีก็ปวดมากเลยเลยไม่เนี่ยบอกท่านลงไปทางโน้ไปลังเขาลงเลยในป่ามากไม่หลวกเลยแล้วก็ลงไปเลี้ยวไปเลี้ยวมาเกิดเสือเขาาเ้าไปในถ้ำเอี่มาหลงกันมายัางไงเลยก็มาถึงในถ้มเจอพระองค์หนึ่งสวมผมผ้าดา่างหนวดราอยู่ตัวเุ็นหลักกําลังเข้าชาจะมาบัต แล้วเราก็ไปกล่าวท่านในเรื่องภัสสาวะหายไปกราบแล้วก็ท่านก็ลืมตาแล้วก็ไม่พูดอะไ ร, ร, ระส่งภาษาทิงหัวนิดหน่อยแล้วที้ไปที่ฝาผนงา ง, นงท่างตงเราก็แหนะไปทันทีเนี่ยนึกจำหนิกในใจว่าลสงสีร่างกายใหญ่ใหญ่หนอะเอาสีขาวที่สวยมาไวันน้ทำแบบนี้ พอไม่นุ่งเลยทุกวันเกิดจะทักเพียงนึกในใจเท่านั้นท้าทรงพระตาที่หมวนทันทีบอกดูด้วยปัญญายาดูด้วยตาเนื้อแล้วแงไปทีเนี่ยเปิดลงหอนจิดแล้วก็คลายเข้าไปใกล้ๆแต่ก็นั่งหลับตาต่อไปคลานเขไปกลเนี่ผิดปกติไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดารับเก็นิ้วมือเท่ากันตีนิ้วเท่ากัน แต่ย right? uh? ืดปอนี้เห็นชัดว่าต้องยาวแค่นี้ทางมือที่ยืดปลอถึงข้อนี้ไหมไม่ถึงนะอยากมีบุนไม่ดึงให้ถึงนี่ถึงตรงนี้เยือปลอเนี่ยถึงตรงนี้เลยคิ้วต่อขอบกล้องเราก็มาสังเกตได้หมอนี่เราทายผิดมาเยอะเข้าใจว่าคิ้วต่อเนี่ยมันเพืจะต่อก็อย่างนี้แต่ขอกล้องมีสามกล้องแล้วไม่มีหายปลา เต็มหมดแล้วคิ้วต่อนี้ก็ได้แก่ตาหมูกสีห้าองศาแล้วตาใหญ่คนสวยนี่ตาใหญ่ตาไม่หยีคนตาหยีไม่ถ ค, คนสวยตาเห็ินชับแล้วพอตาหมูกสีห้าองศาก็จะโค้งเป็นวงแหวจันขึ้นมานะแล้วผมสีทองทั้งหมดแล้วเราสังเกตไดนะ้าชันทีว่า เราเคยรู้เรื่องนี้จากยายลักสมดุลใจกัหลวงพ่อช้างเล่ายายปากนะแล้วเราสงสัยเลือเกินว่าพระองนี้สมเด็จชาวจะมาบัดแน่แต่ยังไม่าถามท่านยืนพิงปราผนังคราบพุดวันเกิดแล้วหอมที่สุดน้ำอบ ก, ก็หลังสุดกว่าสามพันรู้ไหมด่าในจ ม, มูกก็ถามก็คำหนวดปิ่งหนอปิ่งหนอ แล้วสวยไม่ต้องพูดการเลยเราสังเกตได้จา ก, จากมรดกคือที่ไอ้ขวันเนี่ยมีเหมือนไอ้ไ อ, ไอ้ความขุดแล้วก็มีกิ่งขึ้นไปแล้วก็พับไปข้างหลังตาตาดำสีทองตาเข า, ถาถืีฟ้ตาปากจิ้มเลีมยงจิ้มลายสวยงามมาก แ, แล้วเราก็จำเข้าใจแล้วว่าเป็นมกดกผลเลยถอยหลังออกมา ไว้ลังออกมาแล้วก็มาปราถาท่านก็ถามว่าหลวงพ่อหลวงปู่องค์งงงนี้นนได้หรไห่ท่านก็ทรงประสาทิ ม, มนว่าได้จากป่ายิมมะพร้าวเลยเลิกเลิกติดถ้าก่อนเสด็จทางถ้าไม่เสด็จทางสมาบัติจะไปป่ายิมมะพร้าวนี่ยากตอนที่ไปป่ายิมมพร้าวได้นั้นไปได้อย่างนี้หนึ่ไปพอเหมาะลอดเขาช่องแคบไปได้ อยางหนึ่งสองไปด้วยอำนาจดินหรือสองสามไปด้วยอำนาจทาติสมาบัติหรือตลอดนี้เป็นจะไปได้จะมีฝรั่งคนหนึ่งขับไปดินมาตกที่ฝ่ายเนปาลแล้วก็สามารถจะไม่ตายแล้วตะเกียงสกายออกจากฝ่ายเอปาไปได้แล้วก็มาบวชในเมืองไทยเดี๋ยวนี้จะอยู่ในอนาะเคยล่าหสมาปางโงกนี่ไปด้วยบังเอิญแล้วต่อมาก็ขอสรุปใจความสักคกันว่า ขอให้ข้าพเจ้าถมีบุญวาสนาขอให้ข้าพเจ้าพบมันไปถ้าไม่มีบุญวาสน า, นน า, นานแล้วก็กแล้วยงไปมาที่ฐานจิตต่อน้าพระพิมลน่าจะมาก็ถอยหลังออกจากถ้ำไปเลื่อนันก็เบาหายปวดไปหมดแล้วก็ไปชวนแม่เนื้อขอมายูแม่เนื้อก็สเกตกาลงมาเห็นด้วยกันนี่เปนพยายังได้จะกาบทูลพรเดชพระสัมมาสัมพุทา ในหลังจะนั่นมาก็ลงมาก็นักสัญญาะนวันหยุดในบอกใครต่อไปเพราะพวกนั้นไม่มีบุญไม่ขึ้นเข า, าจริงๆเราสองคนคนนั้นจริงในเ น, นื้ออื่นทุกบาทบาที่จะตายไปแล้วอันนี้กลับเเมืองไทยปลุกเกวียนสามปีค่ะได้เจอในเมืองไทยวัดอยู่จางทุ่งโดยตะบุอยู่จางทุ่งทางที่เดินทางไปที่ตะเทียนนู้นในสมภารองหนึ่งช๊ะ สมภารชื่อตุก๊กสมาธิจักทัานดีเพราะตอนที่บวชท่านแรกเป็นกษัตริย์หาลาภเพศไปมีก็อบัวไมีลูกมีภรรยก็มาฝากสมาไว้ตรเลี้ยงรดน้หนุ่มแต่นงานเสร็จเรียบร้อยเลยท่านก็าลาลกนนนนนลกบกับไปบวชเป็นสมภารที่อชุบตุ๊กปีวันนั้นใ น, นเวลาการต่อมาเนี่ยมีกระชาชายคนหนึ่งแดงลุงพาลองแรงดขาดมีญางมาว่ากันไปมา อยู่ในตาเปลือกโลกถึงวังเมงปากเมงฟัถึงเวลาที่แปในตกาก็มาถึงวันสุดแล้ว่ท้ายกอยู่ถึงห้าคนพอคนแก่คนนี้ก็มากลาบเป็นมาชการก็พูดอย่างโสม่าหขอพระคุณเจ้าถือกระผมเป็นผู้เดินทางไกลมาเหนื่อยอ่อนลึกเกินขอภาคเจ็ดลาตีคือวันนี้จะเห็นสบควรนะครับขอพึ่งโพลสมผานถ้าเจ็ดลตีเถอะขอผมบ้านอยู่ไกลเกิน ก็พักผ่ร่าคกาสมก็ัลาเลแล้ว่็เดินทางต่อไปท้ายกก็ะยาค้างึนมาเดี๋ีอก่านผ้ทานใหญ่รับไอนี่ก็ไปที่ยาลักษณะผ้ารองแรงที่นี่ก็ปียาหรือวัดของวัดเลยองทานก็ฉลาดขึนเยอะกว่าิวัดคะนนี้คงเป็นคนฉุกจึดให้พักบอกโยงไม่เปนรของหายทำไมเกิดจะทักเลยปูโมปูแรงนอนเม้นตาเม้นตาในเวลากาต่อมาก็สรุปใจความมาบเสร็จแล้วีเนี้ย ก็มาลาเป็นผับน้วงพานก็บอกว่าเดี๋ยวยมขอเพื่อเยี้ยงคืนนี้อยังไม่ไปคุยถามประวัติเลยอยู่ที่ไหนยังไม่ได้มาประมาทมันหมดยุ่งอยู่ภูรยโยไม่ได้ครับทานขมงในรัสเจ็ดลาตีต้องเจ็จลาตีนี้เสร็จลาตีแล้วมีวันใหม่วันที่แปดนะผมจะฆ้ามันไม่ได้เสียจะขอกล่าบมาสการลาขอขอบพคุณขอคุมภัตใสท่านที่ให้คืนโดยหลวงพานในวันนี้ขอจุมภั ในรถไจะไปส่งนอกวัดเพราะวัดนั้นอยู่กลางทุ่งอ่านี้ค็นักหลกม้มองเห็นการพายุเขาก็ไปทำงานวัดจะมีงานการพอไปส่งแล้วนองวัดตาตาชายตาเท่านี้ก็กราบเรียนะกานว่าพระเดชพระคุณที่เคารพผมจะไม่ยืมพระคุณท่านดินละพื้นโผล่สมถางสมจะกราบเรียนว่าถ้ารีบทาวัดท่านสบายสุดๆไอี่คเไม่ได้อยู่ที่นี่นะกราบเรียนในจังวั แล้วผมก็ไม่มีอะไรมาฝาผมจะยกของฝันให้ในย่ามว่านี่ยกสวายคทั้งหมดแล้วยกย่าให้แล้วยกย่าให้เคลียม์พรกาจาราค่อยๆเดินที่ชายไปทำไปทาล้ม่านก็เปิดดูแล้วแก่ผ้าขาวออกมามีมาเป็นสีผลนของกดแล้วก็มีผ้าขาวมีหนังสือบอกไปเสร็วรักษาเจ้ามาจากฝ่านอี้ับเลย นันสุนพานก็ไปเหยียดทายกดีกว่าไม่เลื่อมทายตรงนี้บอกเอามะกอนตามมากอนทายก็ตามไปเขาก็หายไปที่ไหนแล้ไม่ทราบข้อความจนแบบนี้ไม่ทราบว่าทาได้ึกส่ะแั้วตรีส้นพาก็มาเก็บไม้มีใครสนใจเลยเก็บไม้พอตีไปทานตาไปเจอของแถวนนนก็อดติ้งมาป่าและท่านกมอนั้นพตามส <bekommen S 1> ัญญาที่แเท่าบอกไว้พอมอนนั้นพา็จเนี้ยลูกชาย ที่จะมาเปูกกากาละวันต้องไปทาศพหลวงพ่อเขาทำบเสร็จเรียบร้อยดีแล้วพาโยกเขาก็มาพูดตัวบอกนี้แ่เป็นลูกสมหาใช่ไหมบอกใช่ยอาทุบัตดไปไม่สนจระลุยไทยก็มาเลยถึงแม้จะมาได้ก็มาฝ่าด้วย็นเวลานานถึงสิบปีจะมาก็เอาละผมป่าไปนานก็ไปจากที่ที่ถามไว้ว้เขาไปแจกเดียวพบในเมืองไทยสำหกับเจ้ามีบุญวาสนาเคยเป็นโยธาหานของด้วยช่ หรือเคยเป็นที่ตะใบกัดมากป็นท่านขอให้เขาไปเจ้าเด็กเพามีมันไทยเถิดเท่านี้เองเลยเขาฝากไว้สี่ปีนะครับว่าเคยขยนตนย่อลงไปเรื่ย่อลงไปย่อไปดื้อเดียวตอนที่นายมาวันแรกยาวยักแล้วก็ไปเดียวไปเดียวไปเหมือ น, นดอกไม้นะสมารไม่เคยใครรู้แ่ง้ว่าจะไม่รู้เลยสี่ปีไม่เคยใครรู้เลยในจุดก็ไปเทศ ศึกสวชั้นสองในการอาจารย์ปะถามเย็นเมฆในการควรพลดล้วศึกษามาฟังเยอะอยากดูมาฟังกันมากมายเขาก็ถามขึ้นมาในที่ผุว่าที่าารจริงไหมแล้วก็ที่มาจนไาเชื่อเลยถามต่อไปข้อสองเวชนรินต์ตเลือกเขาหกในเขาหกใมแล้วก็เล่าเรื่องเวชนอนเรื่อยไปเลยถึงฝันชั่วทายก็บอกมี้สกิลสมเราก็เรียบร้อยเลยเรา เราก็ลืมไปแล้วออจารศึกษาก็บอกว่าทานม่เค็งแล้วลูกมารีพรไม่ใชใจใม่นี้ก็พูดแล้วเอาายมาจริงเลยก็มาดูบรอยากาศที่วัดเนจะเปิดเลยขึ้นมานม่ฝากเลยในขาวหนึ่งโยนทาอที่ของพาไปถึดนะคทําบุญมนเจอที่วัดถึงบุเรืออ่เชิกองกระซองกระแซบอย่ิกอง ชายหยงเพศทะลุวัดถึงดเรื่องผมพานชื่อพระรูไทร์พระภูสีปิยะมีพระแม่เรียนมะลิเยอะหมดนี้ธรรมาก็พายเลยยมทานกอสีพิพาที่สาธุถึงหลวงพ่อหลวงมารีฝนมาด้วยหลวงพ่อมาจากต่างประเทศจะได้ดูหน่อย้าศรกษาก็คนมีบุญคุณจะให้ดูธรรมาก็ใส่ตอนนั้นเดียวไปมากแล้วใส่กรองมุก ไปยากไปในห้องสมผานสมผานได้ยินผู้หญิงเนี่ยหลังค่วันมีแทบเลงได้เห็นเฮ้ยมีเลงเพิไปจริงเหี้ยได้ยินไปเองหูปาดเนี่ยแลก็บอกไม่มีท่านก็ไม่เชื่อมันบอกเลงนี่เพราะไม่เคยได้ยินบังเอิญเราก็ตรวจห้องอุจจะต้องไปถ่ายบอกชั่วมีที่เนี่ยบอกเดินไปได้เราก็จะคว้าหยาบไปด้วยบอกไม่ต้องคุณพองต่องไป ไมดีอ่ะมึงใช้ก็ไปชนเลยเราปจัจโนชท่านี้เปิดดูเรียบร้อยเลยเลยมากันใหญ่เจ้าคุณมาไหลายวัดดูกันเลยเลยคนที่มาเนี่ยก็โพลเลยบอกลูกบอกผัวมาดูเสร็จเลยวันนั้นมาตรงสวดมนต์ทำมาจากวันเกิดมาตรงสวดดูสักเลยยี่สิบนทีเที่ยงเลยตมาเนี่ยกลับดึกเลยนีอลา ด้อันหนึ่งคุณนายโสภาถามือเปไน้เถอดลวงอาจบุญเก็รู้บอกองค์พ่อทำบุญบ้านชานด้วางบุรีนี่นะขอไปด้วยนะในแทย์เขาจะขอผ่าท้อขอพิ่โษผ่ากับรถสมาพ็ไปมาพ่อเกิดข้าวบ่งชาไปการบุรีลาบากลไปส่วนงูัเทนไม่ทันเลยก็บอกเจ้าอย่าไปเยอะเลยก็ปรึกษากันว่าทีไหนมาไปไม่ทันเทนก็หนีไง ทางระหว่างทางเดี๋ยวเขาจองอกเกแล้วขึ้นรถจากนี่โมงเช้าเนี่ยไปถึงจังหวัดระยองสองโมงเชา้าแต่ไม่รู้ไปยังไงนะไปถึงบ้านเจ้าพ า, าวจันทบุรีเนี่ยสามโมงกสร็จแต่เรื่องอธิการเล่าตัวฟังด้วยจ้ะนายแพทยก็เลิอ่าท้องแล้วก้องส่งดูมีอวัยวะครบทุกส่วนเหมือนคนธรรมดาเอาละขอรู้ตีเวลาไว้เพียงนี้ เพราความสุขสวัสดีจงมีแก่กูหนูทุกคนรองเรียกขนายการที่ท่าเฉลิมด้วยอายุวันน่าศึกษาพละปฏิภาณสานสมบัติไม่คิดถึงเหอุการณ์ไดสมบังณ์ปรึกษาด้วยการทุกข์ทุกทางเล่าโอกาสบัดนี้เพินเวลากูหนูฟังที่สนใจนะคนักถามที่สองนักศัตอนเดิมเนี่ยพอไม่รอกหลวงสมานบนาิจ อดีตอดีชื่อดีกรมป่าไม้เป็นเพื่อนกับหลวงบุเรศสงครามาที่นี่ก็มาทายต้นที่ศูนย์ต้นนี้ที่โกลนไปแล้วที่คิวดาทสอนใ่คิจุนมอนบอกอายุพันปีและดูเปลือกดูลายตามลักษณะของกรมป่าไม้แลวตอนศัตว์ปันที่อยูตรงนี้บอกแปดร้อยปีก็โคนไปแล้วแลวมารุ้นก่อนก็รมรถามไปยสิิที่ี่ พ่อไม่เกินพันสี่สี่ห้าออมือออมอย่างนี้นะไปออมอย่างนี้ใหญ่มากแต่ที่หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่สองพันสีร้ยสี่เก้าหนูคงไม่เกิดมั้งเนี่ยเกิดที่ย่างสองพัสี่รอิก้าแม่เกิดยังไม่ดีเกิดแล้วสิแม่เกิดแล้วแล้วทีนี้วัดนี้มาเป็นป่าดวงคงไกลบ้าง น, นี้เขาก็ไม่รู้ ไม่มีความเข้าใจทั้งหมดหรือว่าที่มีอะไรบ้ะเพราะมันวัดนี้สมั ย, ออยกรุงศรียุธาสมัยส้เยมเยสนาลายมหาล่าเขา อ, อาจจะสร้างมาก่อนนั้นอมีทีเดียาจะเลือกอู่ในโบกถ์แล้วทีนี้ก็ก่อนจะลู่ทนมะขามไปที่นี่ชาวบ้านเขาเลี้ยงลูกไกย่กยู่เป็ดเยอะในสมัยการแลกงนานมีเดียวม้งเดียวมีมากมันชอบไปเอาลูกไก่เขามากินแล้วก็มาจับทนมะขามนี่ ส่วนกระหังนี่อยู่ในตานี่มีช่องกอไผ่ยเยอะจริงๆเขากอบมีกอไผ่ยเยอะกอไผ่ปลาไม่ลวกนะมาจักต่นน้าทํารอกับล้วยลอยาลงพวงไพรมากเลยชาวบ้านเขาก็ออกปืนมาด้วยลูกซองก็มายิงเีเดียวเนี่ยยิงไม่ออกเวลาเบนกระปากกะบอกกับที่อืมันออกแต่ามายิงที่สโซนยอดนี่ไม่ออกไม่ได้เขาก็ไม่จัด เขาก็มาล่เราฝั่งบอกเอ้ยโคนกรขามมันจะมีอะไรไหมเอ่ยยิงไม่ออกเขาก็ยิงพยายามยิงอยู่หลายนัดมันก็ไม่ออกลูกจะด้านก็องลูกไยแต่ยิงไม่ออกแล้วก็เบรนก็ที่อื่นมันก็ออกยิงนี่เดียวนกเดียวที่มาเกี่ยวเอาลูกใหญ่เข้ามนสมัยก่อ น, นเดียวกาเยอะเดี๋ยวนี้หมดไปยเนี้ยแต่สารพัดหมุนพันไปทไหนไม่รู้ แล้วเมือก่อนนี่ในน้ํำมีปลาในน้ำมีข้าวในน้ำปลาเยอะบัดนี้หลังที่ข้ากษัริมาในน้ําจะไม่มีปลาในหน้าจะหมดข้าวปลาสร้อยปลาข้าปลาซิวจะไม่มีเหลือยังนี่นะมันเป็นความจริงของผู้แต่งทนายเนี้ยเลยหลวงพ่อเข้าไปวิจัยเขาไปถามก้นมาขามอยู่เขาไปเจอฝักมาขามเอามาแกะดูทุกฝักในต้นเดิมเนี่ยมีทิศสองเม็ดทิกสองหน้ากัดเลย ก็แตกไม่ออกมาทู่ทะลุคานถองลงเสียงยังแมวว่าจอบติดเหมือนด้วยไม่ได้ประคามทั้งหมดเราจะนึกว่ามีปักเดียวเั้ะว่าเลหลายฝากมาแก่เหนื่อยจะหมดเรียกว่ามาถามที่สองนักสักแล้วมาให้หลวงสมานบุญกิจจะตอบร่มปากไม้หลายคนที่เป็นนักวิชาการก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยแล้วมาเต็นไปได้ยังไงเราก็ขอวิเคราะห์วิจัยต่อไป แล้วก็ขอแรงนะตาไปด้วยค่ะพาห้ต้นน้าต้นดอออกต้นคอยต้นลายทิ้อยู่นั่นยุะก็ไปเจอแท่นทหารชีวิตทักโทษมีหินหินสมัยเขียวแบบเก่าวแล้วมีหลักของหลักนี่เราเป็นคือคาเป็นที่ทหารชีวิตทักโทษสมัยเมืองสมุทรครที่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยองพระราชาสั่งทหารชีวิตทักโทที่ไปฆ่าเข้ามาก็ให้ทหารชีวิต ที่ส่งนอนทีดข้าเลยก็ต่างพิณีเป็นที่ปรารที่นั่และอีกชั้นหนึ่งที่จะทานนะหนูนะหนูรสชาติอะเรียกโพต้องไหมควจะเป็นประหารชีวิตํามั่งหรื อ, อยังไงแล้วไม่ทราบแต่โพนั่นก็หมดไปแล้วเ ม, มั่อไหร่ชนประทานเข้ามาจิที่วัดไปยี่สิบสองไร่ลำน้ำชนประทานไปหมดนี่ยาวไปอยี่สิบสองไร่เป็นที่ประวัด หมัดนี้จะนำยกให้เวงคืนให้คนมาทานตายเวลาหนูฟังแรงต้นคุณจะรู้ว่ามาถามไปอะไ่จริง น, นแต่พ่อรู้แล้วยตรงนี้เป็นที่สถานที่พอก่อนจับรหารเขาต้องบวงสวงหมอเทพเรียจา่าเทวดาที่นี่แล้วต้อมีเพชฌฆาตสคนหลังทางหน้าเวลาฟันจริงๆคือคนหลังไม่ใช่คนหน้าเราสังเกตดูนะี คนสองคนก็ลำในปีอ่อนจะประหารชีวิตของฟังเทสฟังเทศเสร็จแล้วพอให้นักโทษถูกประหารรับอาหารคาวหวานอยู่ในําราบางบางนักโทษก็ใจแข็งรับทด้ยินบางนักโทษต้งไปลมเรื่อยลายฟังฆ่าเทสญาติดตัวเองจะต้องถูกประหารชีวิตภายในหนึ่งสิบวนนี้เลยก็ประหารเราก็รู้แล้วเวลาไอ้ประเทศจะคาบลำเนี่ยมันจะไม่ควัน มันจะล้าสวยล่อโนลออหนูหนไปแต่ตอนที่จะทาเนี่ยเขาว่ากันว่าผ้าปิดปากเอาดินอุดหูตือคา่าพอดีเลยเราไปหน้ามีแค่หกติดแน่นวงจ้าดินอุดหูหรือยัอยงไงเราไม่ทราบนะแตมันตุนลาหลายร้อยสีแ่แ้วแล้วคนหน้าล้าเสร็จเนี่ยก็จะปัดแต่แล้วให้คนหลังที่อยู่ในฉากหลังเนี่ยเป็นทุกข์ทับขาดเลย ขาดแล้วก็ขาดลงหลุมเราก็เลือกดูขอแรงขักปดที่หลุมนี้ปดได้10ประสบแต่มันอาจจะมากก็น่าทัะโลกทังกระดูกเลยหลวงพ่อมาถือโอกาสมองเป็นบุตรสอนอิทิใหเผาหมวนพระสงฆ์องค์เจ้ามาปิดกาบางสุดที่นั้นเสร็จแล้วก็เผารดน้นแก่คนเท่ามาไม่หยุดคนเพื่อปิดความไว้ แล้วก็เอาแท่นหินมาเก็บไว้ถึงมันไปป่ามาแบบนี้มูลลักไปหมดเลยเป็นหินเคี้ยวเลยแล้วก็บอกเพ็งดุศโสนุทิชแห่งดวงวิญญาณนี้เลยดวงวิญญาณก็พากันไปต้นมะขามต้นนี้ตายไปใบเดียวแล้วแห้งหายไปเหลือแต่ต้นนี้คือต้นลูกอยู่มันขึ้นอยู่ตรงนั้นแต่ต้นเดิมน่ะมันอยู่ห่างกันประมาณสามวา แต่ต้นเดิมตายไปแล้วเลยต้นนี้ก็กลายไปบ้างมีเม็ดออกมากเกิน12มางไม่ถึงบ้ากแต่ยังเป็นตุกาตาตุกตุนอยู่ทุ่เม็ดมีราวประวัติเหตุการณ์มาเราก็มาวิเคราะห์ว่าเขาจับหารชีวิตเขาต้องบวงสูงตือปะดับวงสูงก่อนมีเครื่องเชองเวรมีวัวหมูใบศีลมีอะไรขับข้าพายามตามประเพณีเพื่อเกิดฆ่า เลยทําให้ดวงวิญญาณถึงิทธิ์อยู่นักโทษมาขามนี้ลายเป็นมาขามกายสิทธิ์เกี่ยวว่าทิศสองนักศึกเรียนไหวกายเกิดที่ในวัดติ๋งสารตรงนี้เองขอฝากแวดเป็นระดับต้นในเวลาการต่อมาคนมาทานก็เลิกมายึดทำครองคนมาทานผ่านมาหลังจากนั้นเลยก็พวกคนมาทานก็เราก็ขอแรงพูดตรกาง แล้วเขาเก็บเมตรมาขามก็บอกเอ้ยแปลกมาก ข, ขึ้นอแล้วก็เอาไปเลยเมย็ดมะขามที่สองตัดเขาก็าไปให้ลูกเข า, เาไปแวนค อ, อไปแวนโน่นแฝวนี่พอดีลูกเขาของในช่างโดนม า, าเทารถแท็กเตอร์ลดอะไรก็าว่าไปตกจากท่านสองมาลูกสามปวงปีกวไม่ไปไหนเขาก็ถือว่ามาขามไปถึง แต่หลวงพอก็ไปหมายความว่าจะไปบอกเขามาถามไปิสิเราไม่เคยบอกฮะเพราะเราไม่รู้ไปิสิกแบบไหนพฤติการใดเนื้อส่นมาถามนี่มันก็เป็นอย่างนั้นมาตัวนี้พอหลายร้อยปีเนี่ยโซนเดิมตายขอฝากหนูไว้เป็นพัฒนาศิษยสายข้อหนึ่งเมื่อสมัยก่อนนานมาแล้วใครรังอาจารย์ดุร้ายมากใครจะไปเอามาแย่งไม่ได้แล้วสระน้ําอาจารย์ทํมาทั่วใครไปปากใครดโรคระเบิดเลย ดุรายวิญญาณอับกษษษษษิจค่ะกำลังลบไปสงกลางในการหนวดเที่ยวล้วงสามพันเรืองไปต้นตนายก็ปดุเปนเอาศูรอกาอยู่ปราอยู่ที่นะั้นใครจึงเอาของไปเอาอีกให้บอาจารย์มาไม่ได้อิฐราดอกจันก็ปราในเวลาการต่อมาเนะก็ค้ายอย่าง้นบุคคลมีการสร้างวัดโอเกาอ้าต้นเรียกว่าวัดไชยบรรจารย์ตรงนั้นพระบาทสมเด็จพระหัวทรงเสด็จ ทั้งสิ่โลมาถว า, ายบำเพ็ญพระฤทธิ์สอนดีดนละพลไข่กัญจักษ์สร้างโบสถ์ขึ้นมาโบสถาพิลาก็สร้างลุ่มิตรแล้วทิพย์หลวงพุทธสอนไปการใหญ่เลยวิญญาณทั้งหลายที่จิกแกงก็หายไปความหลุร้ายก็ไม่มีแม่ตาปรานีต่อกันเลยไม่เย็นเหมือนแต่ก่อนมาอันนี้เป็นความจริงที่ผ่านเพราะบาปมัวเรือถึงเท็จ ไปถวายพระพุลลทธสันติสุขพุทธสันติสุลกายคนที่ตายกําลังดุร้ายดุม า, ากตายเยอะมากพุทธะต้องดุร้ายหวงแหนมากเหมือนอย่างรถขับไปชนกลางถนนตายและดุกําลังติดแหน่เอามาโมโหจะต้องเต่าถนนก่อนดุเนี่ยพอชนชนรถชนตายครับไปสวคยก็มีเหมือนในโลกมาเลงานตัวถึงนี้พอได้ เวลาท่านชายเนี่ยเรายาวเยอะหนูก็มันเด็กน้อยกันเวลาท่านชายหนูฟางเรื่องวิญญาณเป็นไดน้บางคนอยู่หัวเมียเนะทะเลาะกันแล้วเครื่องกันหูวตาพานขึ้นรถไอหัวนี่เกลียดแค่มากแล้วก็เมียก็ทะเลาะกันด้วยทะเลาะกันไปด้วยหัวขับรถไปด้ว ย, ดดวยเรยไม่รู้มันตัดสินใจยังไงไม่ทราบไม่รู้เรื่องอะไรเราไม่ทราบทั้งคนสองคนหัวเมียเนี่ยเคยมาจังหวิด น, นี้ แต่ปากความเกลี้ยกล่อกับภรรยาภรรยาก็าเกลี้ยกล่อสามีในการทูดสาวเลยก็บอกเล่าสองคนขับทำพวกอเงี้ยเสองคนนี้ตายด้วยกันตายอยู่กันทะเลาะกันมาพุ่งรถชนรถติดรอเลยตายจะพู่เลยดุร้ายมากเลยบนถนนนตายหน้าโพสต์หาพวกผู้หญิงตายจะโพสต์เรื่องทูดสาวก็ต้องไปผีด <c oughs> ิบ วิจิตเป็นยังไงเราพ่อไปเห็นมันกรตาในสมัยเดินผู้ดงกับไปพ่อยามในป่ามันจะกินมัทียกแค่จกินเลือดผู้ถ่ายเวลาที่แปดนาฬิามันจะปุดขึ้นมาจากพีบกรอบเพราะมันมั น, มนเป็นเลือดผู้ถ่ายนะไอ้ที่ว่าวังไว้สิบปีสิบห้าปีนยไม่เน่ามันจะมีขนยาวขึ้นมาเล็บงอกได้ บางทีเขาว่าตายไปแล้วไม่เงาเนี่ยไม่พวกนี้ทางหน้าพวกผีดิบมันจะวิเศษวิโสอะไรหรอกผมยาวมาเลยถ้าหากว่าฝังไว้นานนะฝังไว้ในลุงในป่าเนี่ยมันจะลาชางานไม่มีใครไปเผาไอข้ขนมันก็ยาวเป็นนานตาอย่างนี้นะตาที่เขียดแค้นสามีนะเรื่องทุ้สาวนี่นาตายเป็นิีดิบพอขนยาวมาได้กําหนดแล้วมันจะออกมาที่แปดนาฬิกานาะออกไปกินเลือดผีขาย เาทีมากจะไปถึงเถือไปกินในตลาดแปลงเป็นเมียมาพี่ลงมาฮะมีกําลังนั่งเหนืออยู่บนนูพี่ลงมาแม่เจ็ดนะในคลานใหม่ไม่เจอคลานเก่าเพราะนู้น์่เมียมาตามแต่ในคานหาความสิ้นใจไหมว่าจากแต่บ้านของตัวเองเดินมาในลงใช้เวลาถึงต้องเท่าสิบกิโลเมตรทำไมเดินาปยังไงถือไปมาเนี่ยพี่ลงนะ <Ellis> <desert> <be> ไฟนี่คือแรงถ้าในทานเก่าเขาจะยิงเลยนะยิงที่ไฟคือเสือหัวเสือเลยขอฝากก็เด้ อ, อแล้วส่วนมากพวกนักเรียนนักนิทยาศาสตร์เภทแดนถามปัญหาจะมาบอกพ่อครับผมกรับจากวิลเจีนใหม่ไปเนี่ยมาบ้าไม่ให้นุ่งผถุงที่บอกโผล่มานนนตายบานิตายก็ผีมากินก็อ ย, อย่างนี้เวลาถึงที่แปดนกามันจะขึ้นจักลุมมาเลย มันจะถือไฟมาเรื่อยๆนะครับว่ามีขากันั่งเนื้อในป่ามันจะปลอมแปลง ก, ก็เสือมาบังเสือมาเลยเป็นเมียอมามาบอกว่าพี่ไปแร้วแม่ควยหนักลงมาเสือกินเลยแล้าถีเด็กนี่มันก็ดูดเลือด ก, กินอย่างนี้แล้ววิธีแก้ทํำงานอ่งไม่จำต้องกล่าวว่าเอาพาาระมรดกมนมดวิธีแก้ถีเด็กขุดขึ้นมาเผาเพี้ยหมดเลพี้ยงต้องมีกระถาง แต่นี่มีอันหนึ่งที่เราต้องวิจัยได้ผีเด็กจะไม่มียอยู่ในเมืองเพราะว่า้อยวันเผาหมดใครเก็บบางทีพวกคนจีนมาลื้อป่าชาลื้อเผาหมดเอ้าโุตรกล่าวเข้าแล้วพนี้ขคตเจอไปเจอสบผู้หญิงครับไม่เน่าเลยนะเลยคนไทยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเจ้าแม่เลยมาไหว้ตามสารเจ้าไหว้กราบกันขอหวยนั่นแหละผีด็กสิครับโง่ หมฝากไว้ด้วยอันนี้จะข่อราสซันซันแบนั้นเรายาวไม่ใหญหนูเวไช่เวลามากเหล่นู้ฟังเนี่ยถอนตาอย่างนี้ที่แค่์เบืออหน้าโทสะบางคนนี่เถืองหัวเถืองหัวแล้วกินยาตายเนี่ยดุร้ายมากดุร้ายมากหัวจะไปมีเมียใหม่แล้วก็จะได้ออกไปสิงต้องไปอะไรเนี่ยนี่บินยาสุรการดุร้ายจริขอฝากคุณหนูไว้ด้วย หนูมันจะไปตัวผีเผือเลยก็เผัวไม่ใครตัวผีเลยเนี่ยอ้าวอย่าไปตัวกำหนดนะอย่าไปตัวผีเผอไปทีไรทมีแล้วเดี๋ยวรู้แนรีผลเดี๋ยวนี้หนูไม่ง่วงเหรเนี่ย แล้วกันแล้วอา เ, อาเอาจะฟังก็ได้แล้วก็จะไล่ฟังเขาเจอแต่แ้วมันต้องสิงกบกว่าปีแล้วโอ๊ยมนจากไปตัวผีเผอแล้วที่ใหญแล้วเป็นนูผีมันไม่มีตาโบไอ้อผีตาโบไอ้อผีโทรศัพท์ ถ้ผีจะแทรมันก็ออกมาอย่างหนูนี่แหละมันจะไปกลัวแล้วผีเผลอเลยที่ด้ียขคาถาขันผีไม่้องใช้คาถามีสติแล้วมาขันยะผีไม่ดอกบางทีเราเดินไปนี่นะไอ้แมวมันขับหนูมาแล้วเราก็วิ่นผีวัวผีวัวตายใช่ไหมตายติดตกเลยดีซ่าบตา เนี่ยยตงที่หน้าโบสนี่มีต้นมะขามอีต้นหนึ่งผ ห, หลอกคนตายมา8คนห้าคนพอเดินผ่านต้นมะขามต้นมะขามมันก็วันไว้ออเออเออเออเออเออเออออเอเออเเออเอ ฟังเตฟังเตฟังฟก่อนอย่าเพิ่มไปวิจัยตอนนั้นหลวงพ่อมาอยู่นี่วัดนี้ใหม่ๆนะมีคนมาขามนี่หน้าโบสถ์มันจะโบสถ์หลังนี้แล้วหลวงพ่อก็นะสมาธิในโบสถ์เมีเด็กหรืาสาววัเหนือเนี่ยขีกจักรยานมาจะไปซื้อกับข้าวบรรตายังนี้เป็นป่าป่าโล่งโรงทึ้บมากป่ายักคาแพ้แพ่พอ น่ากลัวมากคนมาถามนี่ก็อยายุมากมากนี่ยเสียงโครงเพลงบูเปลงเนี่ย อ, อ, อะไรกันเนี่ยเย็นประมาณที่แปดมิจฉาบวมเลยชิ้นรถจกักรยานล่กชาตายเลยตายทำไมเนะนี่ยนี่หลีหลอกตายเปน็นคนอคนเนี่ยมีสองคนหนึ่งมีส อ, องน้ำมนันก็คนประมาณก็มีบุตรแล้วมีลูกแล้วอายุประมาณสิห้าปีเนี่ยใบนเนื้อเนี่ย ก็เดินมาจะไปซื้อของมาตายมาถึงโดนมะขามวิ่งอย่างวิ่งเลยวิ่งกลับไปเลยบอกอะไรก็เนี่ยผีวอยผีวอยวิ่งตายไปป่วยหนักเลยเจ็หกเดือนผมหล่นมาเลยหัวหล่นคนใะเนี่ยนี่สรุปแล้วก็ได้ความมาตายไปห้าศพผีต้นมะขาม เลยหลวงพ่อก็อยากจะกลับผีทวงไอ้ตัวมะขามตัวนี้ผีดกร้ายมากแล้วก็ชวนลูกศิษย์งงๆไปสีห้คนบอกเอาหม้อมาลูกหนึ่งเตรียมลงยันแล้วเรียกผีเข้าหม้อทวงไม่น้ำเปริญญาเจ้าที่เราก็ได้ไปภาพเวลาประมาณทุกแปดนาฬาหรือทุกนึงผีมันคงจะหลู่ไม่ไปไหนแล้วก็ได้ภาพเลยล้วก็บอกลูกศิษย์ขึ้นก่อนโอ้หลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่อขึ้นก่อน อุปกรณ์นี่คือในตอนนั้ยเราก็ออกนโยบายว่าเอยเอ็ง เ, เนี่ยถ้าใครขึ้นก่อนแล้วยไม่ทันภาวนาเอ็งก็ขึนก่อนทำมีผีขันธ์เรียกเขาเมาอพอไดเจิงแล้วพอวันไหวอยู่เลยนันคือก่อนนะคือ ก, ก่อนคือ ก, ก่อนออกขึ้นไปแล้วเอาแล้วลมพัดมาถามวันเหลืองฮือือ ไปเรียนอะไรนะพ่อเอาไงเอาไงอก็เฉื่อยเรียกขโมเขโม่ผีขหม่ถีขหม่เอ๊ถือก็ไม่ขโม่ทีมันก็ร้องฮือือเยเอาไปขายม่พวกเราอยากดูอ่ะขึ้นไปถึงขึ้นไปถึงพบมาขามหมดเอาละน้าพบมาขามตัวมาขามใหญ่มากเอาแล้วนะพวกเราตั้งสติดีหลวงพ่อจะเรียกผีขหม่ แล้วเอายันตีที่เหี้ยติดแล้วก็ผีพวงน้ำก็จะหมดเรื่องไปโอ้โหพอไปถึงตรงนั้นก็เสียงฮือมาจากตรง น, งนี้แล้๋วไปพาส่งตาผีตาโตท่นั้นายาวเผมโลสองตัวผีอเมโล หรือมีลูกสองตัวก็จับง่ายเลยคุณหนูทั้งหลายเลยไายนกแสกตาตัวโตตีได้ายตู ว, ตวใหญ่มันเอาหนูมาลูกให้มันลูกมันขึ้นแล้วโผล่มันลึกมันก็ลองติดปูผึ้งอ้าวก็ผึ้งไอ้พวกปีกมาทุบๆๆมันก็ลองมันก็เสียงไปบนยอดรอากฐาไม่นล้องไปนี่ผีจับได้แล้วนี่เขาไม่ควตายเห็นไ้มเนี่ย ไอตัวพันนี้มันจะเอาหนูมามาป้อลูกมาแต่ยี่นี่ในนี้เนี่ยหายากงกพนี้เรียกงกอะไรงานมันจะต้องคูด น, นะหัวใยญ่ตาโปอย่างเนี้ยไม่ใช่ตกองแปลคือบานหนูมีหมเอาไว้เนทําคนตายมาห้าคนเฮ้ยเพราะฉะนั้นอย่าลืมก็ติสัมปทัญญะตัว น, นี้สําคัญมากจะไหม ต้องสร้างสถูปก้อนสีเพื่ออะไรถ้าคนเสียสติแล้วไม่เป็นบ้าก็ส่งตายดึงต้องสงร้างสถูปถานทีไว้อย่างนี้เลยแล้วก็ปล่อยมันจับนีได้เนี่ยดูมาในเวลาการรุ่งพวนก็ร้อยลูกมาโตพอลูกมันโตมันดิ้นไปได้แล้วเราก็จัดการสั้งประธารชีวิตส่วนกลางเรียก็แบ่งครึ่งเขาทานไปขอเทวดาพี่ เลยก็ผีทํ้งงานหายไปนี่ก็เห็นที่เองเพราฉนั้นหนูจะเดินไปไหนต้องโยนิโสมนาฬิการเสียงเราตอกบแตกอกแบบตั้งสติไว้เห็นหรอพรเพื่อรับกาอกแตกกับไปผีโวยวินแต่ใจอย่างไหย่าตายตายขาดสติมาตรง น, นี้ทศาพรที่ไายสติขาดสตางเนี่ยเป็นคนผีเข้าเจา้าซิงพรที่ใจอ่อนขาดสติเนีผีเข้าเต็ มีข้าวแถงเจ้าสิงด้วยผลกระเพาใจอ่อนเพราะนั่นคาถาเนี่ยไม่ติดขังแต่เป็นบทภาวนาให้จิดมัดติดไม่เลยเลยรวยติดไม่พุ่กระคาถาเป็นบทภาวนาแต่ไม่สามารถว่างคาถานี้จะแก้ปัญหาได้แต่เป็นการฝึกติดให้มีสติเท่งนั้นถ้าเราม่มีสติแค่แล้วก็ไม่จังวางคาถาเนี้ยขอฝากเขาด้วย หนูทำอะไรตั้างสติไว้อะไรปลอกแผลปลอกแผลอะไรอื่นทำยังไม่เคยรู้เรื่องวิ่งเอวผีหลอกผีเผยที่ไหนเนี่ยหนูกลัวผีไหมเนี่ยยังไม่เคยเห็นผีก็กลัวเลยจะไปตัวไปตัวผีเนี่ยมั้ยหลวงพ่อบวชใหม่ๆเนี่ยยังไม่กลัว จตไสมก่อนเนี่ยฐานด้วยจะปูดีมันอยู่กลกุติอยู่ใกลป่ลาชาแตพ่อกลัวที่ไหนเวลาไปซ่วงเราชวนเอีนไปด้วย <c ười> อ่าอคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายกลัวก <c ười> ัวไเลยไม่เคยกลัวผีอ่าไปคนเดียวมันหัวหายใค่ไหมนะไปสองคนสบายมีเพื่อนคุย หรือเราจะไปย่นอะไรก็มันเราไปพละนะครก็จะไปองเดียวได้นานเหมือนกันนานเหมือนกันแม่ช่วงอยู่ไปต่ายชาโน้นวัดโน้นไอ้ที่วันนี้ในที่นี้เรามีการฝังศพนะครับไอ้ตายเผาไปหมดมีการฝังเลยฝังไว้ทำไมตอกเกศไปสองปีสามปีไว้ทำไมกันเผาไปเลยบางคนเกศบม่เกศไม่ไอที่ทำศพทีสามศพเลยบ้านเดียด รอตายกันหมดเนี่ยไทยเผาเรื่องแย่ตายเผาไปเลยร้อยวันเผาไปเจอไปทำไมจ่ะนะหมดเรื่องไปแล้วต้องไปรอมีโขนมีละครรอมีเงินทำศพต้องนีก็ทำได้ามันหมดเรื่องหมดแล้วหมดห่วงป้ายนายทุกคนต้งองตายเนาะเอาควา ม, มอยูไีจบสรุปแล้วถีเนี่ย หน้าใจแข็งผีไม่ถับสําคัญโจรใจอ่อนโตอกโตใจง่ายาต้องตั้งสติหนดรู้หนอะรู้เนอะขอเชฟคนที่ผีเข้าเจ้าสิงบ่อยเนี่ยเข้าทรงวะเนี่ยคนใจอ่อนนะหมเดี๋ยวนี้ใครมีมีมองค์มั้ยเข่าทรงกล้วน้องปลาเนี่ยเนี่ยเล้วก็หนูอยู่ใกล้ใกล้ตรงนั้นเผลอมาเขาไ้มเหนือวิทยาน มีหัวจะออกมาไหวหัวเปลวกกันเคยมาไหมทุกไหนหัวเลื ก, ลกเคยไหมยาที่น้องเคยมาไหมโอ้ดีมากดีอาจารย์เคยไปไหมเนะเคยเห็นนะเคยได้ว่ายนะแม่ทันสมยัยเยอะเขาไหว้กันทั้งนั้นแหละเนอะ ไมไหว้เขามัางคือแม้จะไม่รวยจะออกเนี่ยลดใช้ปไปเล ย, ยเลี่ยคาเยอะเราไปสอนพวกศรีธรามมาบอกว่าตอนที่เพิ่งเราผีก็เจ้ามันต้อ ง, งไปเถอาเมือมาถึงก็ลุงขาวมานั่งไหว้ไปแถวหมดผ่านทางมามาไหว้เขามาัเอาอผ้าหมก็ดีเลยผนะ้าแพลวที่สวยแม่อะไร แต่อย่าไปพูดไปแล้วก็กาศรัทธาเป็นนะไปขัด้อก็เลยช่างเขาเลยเขาศรัทธาเนี่ยมันก็ไม่มีผลสรุปแล้วก็ไดยเจอความว่าต้องมีสติอย่างที่สอน